ดูก่อนพี่สูทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระเจ้าพันธุมะก็ทรงพระดํำริว่าวิปัสสีราชกุมารอย่าไม่พึงสวยราชเลยวิปัสสิราชกุมารอย่าออกผนวดบวชเป็นบนรรพชิตเลยถ้อยคําของเนมิตรพราหมณ์ทั้งหลายอย่าเป็นความจริงเลยเนี่ยนะไม่ต้องการให้ลูกบวชโดยประการทั้งปวงวัน ดูความิสูุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมัสกราบสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสิราชกุมารด้วยการมาคุณห้ายิ่งกว่าแต่ก่อนโดยอาการที่จะให้พระวิปัสสีราชกุมารเสวยราชโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสีราชกุมารเสด็จผนวดบวชเป็นบนรรปะชิตโดยอาการที่จะให้ถ้อยคำของเนมิตปาลามเป็นคำพูดที่ผิดพิสูทั้งหลาย ได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมาลเพียบพร้อมรั่งพร้อมไปด้วยกามกคุลห้าได้รับการบำรุงบำเรออยู่ น, น, นก็ยิ่งพ่อเนี่ยแมไม่ต้องการให้ลูกบวชนะ ทำยังไงจะผูกใจลูกไว้นะคุณะตัวนั้นแปลว่าผูกทํายังไงจะได้ผูกลูกให้อยู่กับความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาพะทั้งหลายสุดเท่าที่จะทําได้ลูกจะได้เสวยราชลูกจะได้เป็นจักรพรรดินปะกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตเนี่ยนะเขต้องการมากเลย ดูการพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลโดยการล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีคือท่านเป็นคารวาสวิสัยอยู่8 00พปีเนี่ยนะวันเหตุการณ์เนี่ยห่างกันเป็นพันปีเหมือนนพระวิปัสสีราชโก ม, มารก็ตรัสเรียกนายสารธีมารับสั่งว่านายสารธีผู้สหายเธอจงเตรียมยานที่ดีๆเราจะไปในสวนเพื่อจะชมพื้นที่อันสวยสดเนี่ยนะก็อยากจะชมของ ง, งามๆเหมือนกันแหละ พิสูจทั้งหลายนายสารธีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุ ม, มารแล้วเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วก็กราบทูลแด่พระวิปัสสีราชกุ ม, มาร ว, ว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์ทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ดูกรพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปสัสสีราชกมุมารทรงยานที่ดีสเสด็จประพาสพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายก็ปแปลว่าไม่ได้ไปคันเดียวนะไปหลายคันมากคันที่พระองค์นั่งว่าเป็นคันอย่างดีแล้วก็คันอื่นๆก็เป็นยานอย่างดีๆทั้งนั้นเลยภิกูุนทั้งหลายพระวิปสัสสีราชกมุมารขณะเมื่อสเสด็จประพาสพระอุทยานก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษบร์ประชิต ศีรษะโลน้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ําฝาดเนี่ยนะเป็นชายหัวโล้นไปนั่งครันทอดพระเนตรเห็นแล้วก็รับสั่งถามนายสารถีว่านายสารถีผู้สหายบุรุษผู้นี้ถูกใครทําอะไรให้ไปโดนอะไรมานาอย่างนั้นศีรษะของเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นไม่มีผมเลยอยงนั้นแม้ผ้าที่เขาใช้ก็ไม่เหมือนของคนอื่นเพราะใช้ผ้าย้อมน้ําฝาดเนี่ยนะ นายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แหลเรียกว่าบรรปะชิดอันนี้ก็ด้วยเทวานุภาพนะนายสารธีผู้สหายนี้หรือที่เรียกกันว่าบรรปะชิตขอเดชะนี้แหล่เขาเรียกว่าเป็นบรรปะชิตบรรปะชิตเนี่ยคือผู้ที่เว้นรอบเพราะเป็นคนที่มีความเห็นว่าการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดี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 สาธุนายสารทีผู้สหาย ด, ดีดีจริงนะนะที่บุคคลนั้นได้นามว่าบัปรปชิตดีแท้เพราะว่าการประพฤติ ธ, ธรรม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 นายสารธีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้นฟังแล้วชื่นใจเนี่ยใจเนี่ยชื่นขึ้นมาเลยดีใจขึ้นมาเลยแมหมหนทางมาันน่าจะแนวนี้แหละเพราะจะต้องประพฤติสุจริญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วประพฤติอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณานี่แหละแหมดีแท้สาธุะนะยอมรับเลยเออดีๆปกติมีแต่ซึมมีแต่เศร้า ง, งั้นชราและมรณะจะไปโก้อะไรเนี่ยนะ จัดคนแก่มาเดินโชว์กันอย่างงี้นนะใครแก่ที่สุดอย่างงี้นนะและใครเดินได้แม้น่าเกลียดที่สุดอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครก็ทําหรอกกันนะมันก็อย่างนี้และ้วความแก่ความมันน่ารังเกียจแต่บอกแหมความประพฤติดีความประพฤติทําเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยดีแท้ลูความพิสูจทั้งหลายนายสารธีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชคูมารแล้วก็ขับรถไปทางบรนประชิตนั้น ดยกอนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชโกมาก็ได้ตรัสถามบันปะชิตนั้นว่าสหายท่านนีดถูกใครทำอะไรให้แม้ศีรษะของท่านก็ไม่เหมือนคนอื่นๆแม้ผ้าทั้งหลายของท่านก็ไม่เหมือนของคนอื่นเนี่ยนะสรีระร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่เหมือนคนอื่นบันปะชิตนั้นก็กราบทูลว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพแลชื่อว่าบรรปะชิต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 ที่น่าปรารถนาให้เนี่ยเป็นความดีการไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจที่จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกอ น, นะอนุเคราะห์ด้วยเมตตาอนุเคราะห์ด้วยเมตตาหวังใจประโยชน์เกื้อกูลแกมูสัตเนี่ยเป็นความดีแท้ น, น, นะดีใจเลยนะดีใจลี่นเนี่ยแล้วทางละรู้แล้วว่าข้อปฏิบัติควรจะแก้กปัญหาเพื่อให้พ้นจากความเกิดความแก่และความตายเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นการบวชที่จะมาประพฤติธรรมะอย่างนี้นี่แหละ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 นะก็อยู่ในสวนอยู่ในในเขตวังนั่นแหละดูก่อนพิสู่ทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันทุมดีราชธานีประมาณ 84,000 พันคนได้สดับบ่าวว่าพระวิปัสสีราชกุ ม, มารไดปปร้ปลงพระเลงพระเกศาและพระมะสุเนี่ยนะ ก, ก็โกนผมโกนเคราอย่างนั้นนะครองผ้ากาสาวพัสสิทธออกะนวดบวชเป็นบนรรพชิตเสร็จแล้วดังนี้นะบกบวชแล้ว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 ทำไมเนาะพวกเราจะทำไม่ได้บ้างเล่าเนี่ยนะก็คิดว่าขนาดท่านยังทำได้ท่านเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติอยู่ปร า, าสาทสามฤดูได้รับการดูแลเป็นอย่างดีท่านยังออกบวชได้แล้วทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้ดูกานพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหมูมหาชนประมาณ 84,000 พันคนก็ได้พากันโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัออกบวชเป็นบนรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์แล้ว ได้ยินว่าพระวิปัสสีโพธิสัตว์อันบริษัท tn ั้นห้อมล้อมเสด็จเที่ยวจาริกไปในคามหมู่บ้านนิคมคือตำบลเนี่ยนะชนบทก็คือจังหวัดราชธานีก็คือแว่นแคว้นต่างๆดูความพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เสด็จหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับคือเมื่อมีบริษัท ต, ติดตามประมาณ8ปดหมสีันก็ถือว่าเป็นคณะใหญ่มากประชาชนก็เลื่อมใสเป็นจํานวนมากเนี่ยนะ เสร็จแล้วท่านก็มีความปริวิตกเช่นนี้ว่าการที่เราอยู่ปะปนนะการที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ปะปนอยู่เช่นนี้ไม่สมควรไม่เหมาะเลยนะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองมากสักเท่าไหร่ต้องดูแลคณะ8ปดนวันคณะเนี่ยนะดูแลบริวารแป0ห0ัน 80, 000, คนเนี่ยนะทุกใครเป็นเจ้าวาดขนาดนี้ก็บริหารอยู่เย็นเป็นสุขอนุโมทนาด้วยขอข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนะต้องโอ้จะไปมีความสุขได้ยังไงแบบนี้นนะ มันก็เลยคิดว่าอาการที่เราเนี่ยหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยดีแท้ภิสูจทั้งหลายครั้นสมัยต่อมาพระวิปัสสีได้เสด็จหลีกออกจากหมู่ประทับอยู่แต่ลําพังพระองค์เดียวพระองค์ก็หลีกได้จริงๆคือใจของคนเนี่ยนะมันน้อมไปทางไหนในที่สุดมันก็ไปทําอย่างนั้นแหละนะก็คือสศรวัวธาตามแต่อัธยาศัยตามแต่ความประสงค์ตามแต่ความปรารถนา บรรพชิตแปดสี่ห่นแปดหมื่นสี่พันรูปก็ได้พากันไปสู่ทางอื่นสำหรับพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีกทางหนึ่งนะก็คือแยกทางกันไปดูก่อนพิสู่ทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้เสด็จหลีกออกอยู่ที่รับก็มีความปริวิตกขึ้นว่าโลกนี้ถึงความยาก ยากก็คือมันทุกยากลําบากแพ้สัตว์โลกเนี่ยนะสัตว์โลกผู้ที่เกิดมาในช่างทุกทั้งยากทั้งลําบากแท้เพราะอะไรเพราะย่อมเกิดแก่แล้วก็ตายเวียนตายแล้วก็เวียนเกิดนะนะพอเกิดมาแล้วก็ยากลําบากเพราะความแก่และความตายพอตายแล้วก็เวียนเกิดอีกนะที่สุดมันอยู่ที่ไหนเนาเออก็แหละบุคคลไม่รู้ชัดถึงนิสรณะธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์ คือชราและมรณะนี้ถึงจะตายจะเกิดจะเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิ ด, เ ว, เ, กดเวียนตายอยู่แล้วไม่มีจบมีสิน้นด้วยความทุกข์ยากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้จักนิสารณะอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์คือพระนิพพานเขาไม่รู้เลยนะว่าชรามรณะนีโรธเนี่ยมันคืออย่างไรธรรมะที่ดับชราและมรณะนั้นเป็นอย่างไรนะทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่หาทางออกไม่ได้